จะล้มมันเหนื่อยมันลากเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่เันจะงลับดีไหมจะเดินต่อไปยากเย็นขนาด น, นั้นยังทำใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่ ที่ตรงไหนเมื่อเดินจะไปมันก็ไปไม่ถึงเดินต่อช้าไม่อยากปล่อยฟันให้มันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความ ชีวิตฉันเชือในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสุดห เหนตดเหนื่อยก็ยังต้อง งงใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันพวก้องทุกครั้งเท่าไหร่มันจลับไปกบที่ตรงไหนแต่จากยังไงก็ต้องไปให้ถึงที่สุดทำามันจะไม่